นาโบตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโบตัสสะภะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สมาทิงพิกเวพาเวทาติอ่ะนั่งตามสบายการปฏิบัติธรรมการมีธรรมะเบื้องต้นจำได้อย่างบีในท้องสิลูกวาจานิรุทาโหติพูดดิาวาจาวาจา <laughs> เอาไหมเอาไหม่เอ า, เอา พ, รอพร้อมกันดิ วาจานิรุทธาโหติอืมนั่นแหละดับวาจาก่อนถ้าดับวาจาไม่ได้ดับอย่างอื่นไม่ได้หรอกเพราะว่าการเจริญสติการอบรมสมาธินั้นมันเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นไปพอดับวาจาเสร็จพภาวนาไปเรื่อ ย, อยถ้าว่าในขณะที่ภาวนานะวาจายัางมีอ่ะ มันจะภาวนาได้ไหมมันเข้าอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมมันจิตยังฟุ้งอยู่ไงที่พอดับวาจาเสร็จเข้าไปสู่การภาวนาตัวที่จะดับต่อมาคืออะไรอะ อ, ะร อ, อความคิดนั่นคืออะไรวิโตกกับอะไรวิจาร่าวิต ก, กับวิจาร์วิตากระจะวิจารรจะ นิรุธาโหติวิตกวิจารก็ดับเป็นลำดับมาเอาจเจริญบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องถูกต้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆ อ, อ, อะไรดับฮะเออปิติกับสุขก็ดับเรเจริญไปเรื่อยๆ อ, อะไรดับฮะอะไรดับเนี่ยวันนั้นพูดแต้ควังทิ้งแล้วไม่ควงังเห็นไหม อัตสาสะปัสสาสานิรุทธาโหติลมหายใจออกลมหายใจเข้าดับอืมเห็นไหมนั่นคือสมาธิจริงๆมันเกิดแล้วจิตอยู่กับความนิ่งอยู่กับอุเบกขาแล้วสมาธิจริงๆมันเกิดแล้วมันก็เดินออกมาจากลมหายใจพอมันเดินออกมาจากลมหายใจหมายความว่าสภาวะที่ลมหายใจมันไม่ทํางานจิตมันก็ไม่ออกไปรู้มันก็อยู่กับความนิ่งนั่นแหละเข้าใจปะ จากนั้นนะเรียกว่าลมหายใจดับลมหายใจออกลมหายใจเข้าดับต่อไปอะไรดับอีกอะแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าวาจาดับก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่าไปเออวันนี้ก็เป็นครั้งที่หกสิบกไม่น้อยนะครั้งที่หกสบก ถ้าใครดั่งสมาธิกับอตมามาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งสองสามสห้าจนถึงหกสิบกนี่นะคำนวณดูชั่วโมงวันหนึ่งอ่ะอตมาว่าอย่างน้อยสองชั่วโมงครึ่งนั่งสมาธินะและสมัยก่อนน้นเดินด้วยทั้งเดินทั้งนั่งสมัยก่อนนี่ตั้งเดินทั้งนั่งนะไอควังมันเยอะดอกตทวตมาชอบพูด ตีว่าวันละครั้งละสองชั่วโมงอ่าสามชั่วโมงก็ได้อ่ะนั่งสมาธิครั้งละสามชั่วโมงหกสิบหกครั้งหกสิบห้าครั้งนี่จํานวนกี่ชั่วโมงเกือบเกือสองชั่วโมงฮะเกือบเกือบสองรอยชั่วโมงนับสัญจรอีกสิบสี่ครั้งสัญจรนี่ครั้งละกี่ชั่วโมงฮะสัญหลายชั่วโมงเออฮะ ตีว่าคนหนึ่งไม่ต่ากว่า200ร้อยเวงนี่เฉพาะที่นั่งด้วยกันอยู่กับอัตมานี่นะนอกจากนั้นอัตมาไม่ได้อยู่ด้วยจริงๆสัญจร น, นี่มานั่งด้วยแล้วเวลาอัตมาไม่อยู่โยมก็ยังนั่งกันอยู่นั่นอ่ะก็คนละกี่ว่าสองร้อยวงรู้ไหมว่า200ร้อยเชวงนี่อะไรเกิดขึ้นถ้าเราตั้งใจทําและทําถูกถูกรู้ไหมเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจ ส awesome ิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นอยู่ประจำประจำที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดอะไรรู้ไหมคือสภาวะอะไรคือสภาวะคือความรู้สึกความรู้สึกทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่เรารู้ลมหายใจเราจะเห็นมันเราจะรู้จักมันและเราไม่ต้องไปรู้จักของคนอื่นหรอกเรารู้จักแค่ความรู้สึกของเราเองที่เกิดขึ้นทุกทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเรารู้ลมหายใจเดี๋ยวมันรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวมันรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวมันรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวมันรู้สึกอย่างนี้ ถ้าเรามีใจตั้งมั่นที่มีสติเราเห็นความรู้สึกนั้นตามความเป็นจริงเมื่อใดถ้ามันสามารถเห็นได้ถึงสองร้อยชั่วโมงอ่ะเราจะจบไหมในความรู้สึกเสียดายไหมเราจะจบในความรู้สึกหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะรู้และเข้าใจความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นนั้นและตามความเป็นจริงมันส่งผลอะไรรู้ไหมมันส่งผลอะไรส่งผล สามารถมองเห็นผู้อื่นแค่ขยับกิริยาก็รู้ได้แล้วว่ามันคิดอะไรก็รู้ได้แล้วว่ามันมาจากอะไรเพราะอะไรเพราะทุกๆกสภาวะทุกๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจอยู่นั้นมันมาจากสมุฐานเดียวกันเข้าใจไหม ถ้าเราสามารถเห็นตั้งสองรอยกว่าชั่วโมงตัวความรู้สึกที่มันเกิดเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราเห็นมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันจนกระทั่งเห็นมันว่ามันเกิดจากอะไรเห็นมันว่ามันเกิดจากอะไรเห็นมันว่าเกิดจากอะไรแค่นี้่มันสามารถเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่ท่านมีความซื่อตรงต่อการปฏิบัตินั้นเขาจะรู้ท่านไม่ได้ไปรู้ว่ามันไม่ได้เก่งกาดว่าอุ้ยเก่งนะรู้ใจคนอื่นไม่ เข้าใจความรู้สึกหรือเข้าใจในสภาวะตามความเป็นจริงมันสามารถมองกิริยาแล้วรู้ว่ามาจากอะไรเข้าใจว่าคําพูดที่เขาพูดมองตาก็รู้ใจเห็นว่าจาก็ทายได้เห็นนั่นนั่นก็พูดคนที่เขาปฏิบัติจริงๆได้หมดอ่ะมันไม่ทายไมได้มันรู้ความรู้สึกของเราเอง ว่าโลภโกรธหลงปฏิคะอัสมิมานนะแต่ละตัวแต่ละตัวที่มันก่อขึ้นมาแข่งมากับสัญญาแล้วก็ปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดออกมาเป็นความรู้สึกและเรามีความซื่อตรงต่อการภาวนาของเราดูสิ่งนั้นตามความเป็นจริงที่มันปรากฏ ดูความคิดที่มันเกิดดูความคิดที่มันตั้งดูความคิดที่มันดับดูความคิดที่มันเกิดดูความคิดที่มันตั้งดูความคิดที่มันดับแต่ละความคิดแต่ละความคิดแต่ละความคิดจนมันเข้าใจและเห็นว่ามันมาจากอะไรมันมาจากอะไรมันมาจากอ๋ออันนี้มันมาจากอันนี้อ๋ออันนี้มาจากอันนี้อ๋อว่านี้มาจากอันนี้เข้าใจไหมเออถ้าไม่เข้าใจก็อยู่อีกพันปีทําไมรู้ว่า เดี๋ยว0ันปีข้างหน้าเนี่ยก็จะสร้างอะไรนะว่า a ออสร้างเซลล์เป็น AI ไอฉีดเข้าไปในร่างกายให้มันมีความเชื่อมโยงสามารถเข้าใจถึงกันหมดเพราะฉะนั้นสองไอหกสิบห้าครั้งเนี่ยคิดดูดิมันอาจจะมามาดูว่าเอ้เราลืมพูดอะไรไปหรือเปล่า วันนี้ก็เลยจะต้องพูดเรื่องสำคัญไอ้ที่พูดไปตั้งหมดเมื่อตกี้ไม่สำคัญนะเรื่องสำคัญคือเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้ว่าการรู้ลมหายใจมันจะต้องตั้งต้นอย่างไรจึงจะถูกต้อง เมื่อก่อนอะตมาก็จะสอนง่ายๆว่ารู้ไปเหอะรู้ลมรู้ไปเหอะรู้รู้ไปเหอะรู้ไปเหอะรู้ไปเหอะรู้ไปเหอะไปว่ารู้ไปรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆมันมีสิ่งเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายที่เป็นสภาวะในนั้นแต่ละคนนะแต่ว่ามันคือมันเกิดแล้วมันหายแล้วมันเดินหน้าแล้วมก็ถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังจนจนเราแยกแยกไม่ออก วันนี้ก็เลยจะพูดว่าจิตตั้งต้นที่จะต้องมีในการรู้ลมหายใจแล้วมานั่งนึกถึงเรื่องอะไรมานั่งนึกถึงที่พระพุทธเจ้าสอนนะที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ละข้อแต่ละข้ อ, แ ต, ขอแต่ละข้อเนี่ยวรัญโยอรัญ ญ, ญ, ญกตวาุกกมู ล, ลกตวาสุญยาคารกตวาล้วนแต่มีความสำคัญเป็นแกนหลักในการปฏิบัติทั้งนั้นสถานที่สำคัญไหม เออทําไมพระพุทธเจ้าต้องพูดแต่อรัญยญัตว่าโคนในป่าโคนไม้เรือนร้างคือที่ที่มันจะต้องมีความสงบมีความวิเวกที่ที่จะต้องไม่มีเสียงใดๆมารบกวนให้ได้มากที่สุดแหะถือว่าดีที่สุดท่านถึงพูดแต่เรื่องป่าเรื่องโคนไม้เรื่อนเรื อ, รอรนร้างนะหลังจากนั้นเรื่องอะไรเรื่องว่า บอลลังกังอาพุทธทิศวานิสีดติคือนั่งคูบอลลังตั้งกายนั่งคูบอลลังอาพุทธทิจวานิมันแปลว่าคูหรือพับบอลลังกับอลลังบัลลังเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยถูกต้องหมดทุกคนอะบอลลังกลางกลางคือว่าม้วนขาเข้ามาพับขาเข้ามาถนัดอย่างนี้ก็อย่างนี้ถนัดอย่างนี้ก็อย่างนี้ถนัดอย่างไหนก็จะได้อย่างหนึ่งแต่ก็สําคัญมาตั้งบอลลังแล้ว ตั้งกายให้ตรงได้ท่านนื้อกล่าวว่าอูชุงกายยังปานิตายะเห็นไหมมันสัมพันธ์กันไหมบัลลังก์จะต้องสัมพันธ์กับการตั้งกายให้ตรงถ้าเราบัลลังก์ไหนที่เราเราตั้งบัลลังก์แล้วเนี่ยพอตั้งกายให้ตรงแล้วมันเอียงกระเที่ยงแสดงว่าไม่สัมพันธ์ใช่ไหมเข้าใจปะเออพอนั่งปั๊บตั้งกายให้ตรงปั๊บกายเราตั้งมันตั้งอยู่บนบัลลังก์อะตรงเป๊ะ แต่พอตั้งกายบัาลังเรามันไม่ตรงอะ่ะมันก็ตั้งบาลังตั้งกายตรงนั่งเอียงอย่างเงี้ยไม่นานนะนั่งไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยชัดๆเลยถ้าตั้งกายตรงไม่ได้นั่งสมาธิยากเว้นไว้แต่ลักษณะทางกายภาพที่มันผิดปกติเช่นคนหลังโกงอย่างเงี้ยว่ามันทําตั้งตรงไม่ได้แล้วไงมันก็ให้ตรงได้ที่ถุดเท่าที่จะตั้งได้แต่ว่าถ้าคนโดยปกติอะถ้านั่งอย่างนี้เอียงอย่างนี้ เอียงอย่างงี้โกงก็หัวอย่างนี้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นกระดูกสันหลังสิบแปดข้อต้องตั้งไงจับตรงปับ๊บพอมันจับกันตรงปั๊บเนี่ยความเบียดเสียดของกล้ามเนื้อความเบียดเสียดของเส้นเอ็นความอะไรต่างๆมันมันลดเวทนาลงทันทีลดลงเวทนาลงทันทีแต่ถ้าพกคูเอียงปั๊บเนี่ยกระดูกสันหลังมันไม่โกงละมันไม่เบียดเสียดอะไรกล้ามเนื้อเส้นเอ็นใช่ไหมเออ มันก็เกิดปัญหามาจากข้างในเวทนาเ็าจะเกิดเร็วเห็นไหมของพี่เจ้าเนี่ยสาคัญนะยาวๆมาต่อไปปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าไอ้ข้อนี้ก็สาคัญมากดารงสติอยู่เฉพาะหน้าปลุกเพื่อที่จะให้จิตมันตื่นขึ้นมาพร้อมสำหรับที่จะเข้าไปรู้ลมหายใจสาคัญตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าแต่เดิมเราเราคิดโน่นคิดนี่ พอถึงเวลาที่เราจะมาเจริญสติด้วยการรู้ลมหายใจก็ดึงสติดึงความคิดทั้งหมดหยุดหมดปล่อยวางความคิดที่คิดปรุงแต่งอยู่ข้างนอกกลับมาอยู่ที่กายที่ใจในขณะที่นั่งดรียกว่ารู้เตรียมพร้อมสําหรับจะรู้อย่างที่สอนให้พวกเราปฏิบตัติเพื่อให้มันเกิดความคมชัดขึ้นใกลชิดขึ้นเห็นตัวสติที่เกิดขึ้นมีกําลังมากขึ้นด้วยการมารู้สึกที่บริเวณใบหน้าหลังจากที่ตั้งกายตรงแล้ว ที่นี่ประโยคต่อไปนี่คือประโยคทองของอาณาปานสติจาไว้โซสโตวะอัตสติสโตปัสติประโยคนี้เป็นประโยคเอกของอาณาปานสติถ้าเราเข้าใจในประโยคนี้มันจะทำให้การปฏิบัติขั้นต่างๆไม่ว่าที่ขังว่าลมหายใลเข้ายาวลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นทั้งหมด มันจะงายไมหมดโชสต ว, ว่าอัสติมีสติหายใจออกมีสติเข้าใจคำว่ามีสติใช่ไหมมีสติคืออะไรมันจะต้องมีสติตั้งมัน่นอืมสติตั้งมั่นนี่ก็คือว่าสโตการีในการเจริญสติมันจะต้องเป็น สติงอุปัฏธิตาโหติต้องดำรงสติมั่นเดี๋ยวสติตั้งมั่นเพราะฉะนั้นไอ้ประโยคแรกเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การรู้ลมหายใจมันจะต้องเมื่อน้อมสติมาอยู่เฉพาะหน้าแล้วสติตัวนี้มันจะต้องตั้งมั่นการตั้งมั่นของสติมีลักษณะอย่างไรควงให้ดีนะ จำตรงนี้ไว้เลยการตั้งมั่นของสติจะมีลักษณะสองลักษณะหนึ่งคืออะไรจิตตสั่เอกะคตังถึงความมีอารมณ์เป็นอันเดียวสองอวิเเกปังไม่ฟุ้งซ่านสองอย่างนี้เป็นลักษณะที่สติตั้งมัน่นเราสามารถเริ่มต้นจากการกำหนด ทำสตกาลีคือสร้างสติขึ้นมาทำสติขึ้นมาในตอนนี้ได้ไหมได้เขาจะยังด้วยการยกสติคือการระลึกนั้นสู่ลมหายใจให้ลมหายใจเป็นอารมณ์อันเดียวของสติจิตมีอารมณ์อันเดียวอย่างนี้นี่ลักษณะที่หนึ่งแลักษณะที่สองคือไม่มีความฟุง้งซ่านไม่มีความฟุง้งซ่านทั้งเหตุภายนอกและเหตุภายในฟุ้งซ่านด้วยเหตุภายนอกก็คือ เรื่องราวอรูปรสรูปเสียงที่ได้ยินรูปที่ได้เห็นสัญญาต่างๆสิ่งภายนอกทั้งปวงเหตุภายในก็คือความ ถ, วถือตัวถือตนความสำคัญว่าตนเก่งความอะไรต่างๆเรื่องอดีตเรื่องอนาคตจินตนาการทั้งหลายเลยที่จิตมันเ้่าไปซ่องสมหลายๆเรื่องนี่เรียกว่ามันเกิดความฟุง้งซ่านเข้าใจไหม พราะฉะนั้นถ้าเขาเข้าไปสู่ในความเป็นอารมณ์เดียวไม่มีความฟุง้งซ่านสองอย่างนี้เกิดขึ้นนั่นคือสติตั้งมัน่นเขาพร้อมที่จะสู่ลมหายใจไอ้ตรงนี้แหละที่ว่าที่ธรมาบอกว่าไม่ได้พูดมาก่อนเพราะมันง่ายๆนึกว่าเราเก่ากันหมดอเข้าไปถึงระเบิดมาพอคิดดูถ้าว่าถ้าสติมันตั้งมั่นสําหรับการที่จะเข้าไปสู่ลมหายใจทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นไหมมันง่ายขึ้นแล้ว ลำดับของสภาวะต่างๆที่ปรากฏในการที่พระพู้เป็เจ้าทรงสอนไว้ก็จะปรากฏตามนั้นแหละเพราะเหตุมันถูกต้องเพราะเหตุมันถูกต้องทีนี้บางครั้งบางคราวเวลาเรา อ, อ, อธิบายไปพูดไปพูดไปยมฟังดูแลหลวงพ่อพูดมันดูง่ายทํายากพอเราเข้าใจตรงนี้มันจะทําให้เราเข้าใจหลายเรื่องเลยเข้าใจไหมอืม เพราะฉะนั้นจิตตัะเอกกขะตังอวิเคปังปัจชานาโตแล้วก็สติกาโรโหติการเจริญสติให้สติตั้งมั่นนั้นเพราะรู้ถึงความที่จิตมีอารมณ์อันเดียวและไม่ฟุง้งซ่านเมื่อยามที่เราจะยกจิตเข้าไปสู่ลมหายใจเรารู้ความที่จิต มีลมหายใจเป็นอารมณ์เดียวและรู้ว่ามันไม่ฟุ้งซ่านใช่หมรู้สองรู้เนี้ยรู้ในลักษณะอย่างนี้แหละคือตัวสติตั้งมัน่นตั้งไงของมันและไอสติที่ตั้งมั่นอย่างนี้แหละเรียกว่าสโตการีคือการเจริญสตินี่สามารถที่กำหนดสร้างทำขึ้นมาในเบื้องต้นได้ และสติที่เราจะเริญพัฒนาขึ้นไปวันนี้มันดีกว่าของวิเศษในโลกทุกชนิดขวากชีวิตทั้งชีวิตโดยได้เลยไม่ต้องไปขวากไว้กับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ขวากไว้ไอ้แก่สติตัวนี้สติที่กำลังจเจริญขึ้นมาเนี่ยนี่คือที่ไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นมาพูดในวันนี้ดีก่อนทีนี้ต่อไปว่าเมื่อเราจะเริญนสติในขณะที่เราจริญสตินั้น ลักษณะของการเจริญสติที่สติมีความตั้งมั่นอย่างนี้แล้วเข้าไปสู่ลมหายใจอย่างนี้แล้วเขามีการเจริญเป็นไปอย่างไรตัวสตินี้จะมีความเจริญแล้วก็เป็นไปอย่างไรถ้าเราไปเรียนในอนาปานาสติสูตรหรืออนาปานาสติสิบกขันเราก็จะเห็นว่าในอนาปานาสติสิบุขันนะั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ หมดแล้วแต่ว่าเวลาในทางปฏิบัติเราสับสนกับการปฏิบัติของเรามากเพราะเวลาเราจะเริญนสติทุกครั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก่อนเลยคืออะไรคือผลในอนาคตที่มันมาจากความคาดหวังของเราบางคนก็อวดเก่งพอนั่งปับ๊บโอยนี่เข้าสมาณ์นั่งปับเข้าสมาธิได้เลยนั่งปั๊บเนี่ยเข้าสมาธิได้เลยนั่งปับเข้าสมาธิแล้วพอลุกจากาสมาี่ไปก็เพ้อเจอเหมือนเดิม ครับใช่ว่าพอลุกจากสมาธิไปก็เพอ้อเจ้อเหมือนเดิมอืมแล้วอวดอ้างอวดตนว่าตนได้อย่างนั้นตนได้อย่างนี้แท้จริงมันเป็นความเข้าใจผิดเราเห็นไหมนักปฏิบัติบางคนปฏิบัติไปปฏิบัติมาพาคนดำน้ำเนี่ยนี่เริ่มต้นก็ปฏิบัติถูกนะเขบตอบคําถามหลายคําถามเลยก็ตอบถูกก็ปฏิบัติถูกแต่มันหลงผิดไง ปฏิบัติถูกพอไปหลงผิดแล้วพูดจาทุกเรื่องด้วยความเชื่อมัน่นแต่เทอที่จริงเขาหลงผิดหลงผิดว่าตนเองได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ได้อย่างโ น, น้นตนเองเป็นชั้นนั้นเป็นชั้นนี้เป็นชั้นโ น, น้นมันไม่ใช่เพราะจะไม่ใช่โอก็ตอนนี้บอกว่า เ, เดี๋ยวนี้วันเราแย่แล้วศา ส, สนาพุทธแย่แล้วไม่ใช่มันมีตั้งแต่สมัยพระุทธเจ้าแล้วสมัยพระพุทธเจ้ามีเขาเรียกว่า อธิมานภิกษุห้าร้อยรูปกลุ่มหนึ่งพอบวชเสร็จขอกรรมาฐานจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้กรรมาฐานก็นเดินทางไปในป่าปฏิบัติได้สมาธิเสร็จโอ้เข้าใจว่าตนเองสําเร็จแล้วก็ตั้งใจกลับมาคว้าวพระพุทธเจ้าทั้งห้าร้อพอเดินเข้ามาถึงไม่ทานเข้าสู่ประตูประเชตตะวันพระพุทธเจ้าบอกว่าอานอน o ์พระพวกนี้ไม่ควรเข้ามากราบเราหน้าตอนนี้ไปบอกให้ไปอยู่ป่าช้าผีดิบ พระอนุลก็ไปดักอยู่ที่ประตูบอกว่าพระคุณเจ้าทุกรูปครับพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้เข้าไปในวัดครับให้นิมนต์ให้ไปอยู่ที่ป่าช้าผีดิบป่าช้าผีดิบคือป่าช้าทิ้งศพดิบอะ่ะคือสมัยก่อนเวลาคนตายตายสมมุติหลวงพ่อตายนะเขาก็ไม่ต้องไปทําพิธเีเราก็ค้างไว้ที่ปางไม้หรือไม่ก็ แต่อยากจนหน่อยก็ไม่มีแรงแบกขึ้นมาไปค้างไปแม้ก็โยนทิ้งในกลางป่านเนี่ยก็เรียกว่าป่าช้าเป็นที่ทิ้งซึ่งศพดิบอเยอะแยะไปหมดเลยพระพวกนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงพระพเจ้าแม่ขาวัดก็กลับกล้าไปอยู่ในป่าช้าผีดิบป่าช้าทิ้งฉุบดิบพอไปถึงเห็นศพขึ้นอืดเ น, น่าจาดําเกลียวส่งกลิ่นเหม็นเฟ้อฟ้าขึ้นมาอาการออกเลยทีนี้ อาการออกอาการจะอิดสะเอียนอาการรังเกียจอาการสกรปรกจะอ้วกจะอาเจียนออกมาอะไรทีเนี้ยพออาการอย่างนี้ออกไหมความว่าอะไรลูก ร, รู้ไหมอาการอย่างนี้ออกแสดงว่าราคานูใสมันเกิดขึ้นจิตมันเรียกร้องถวิญหาสิ่งที่สวยสดงดงามมาตามอำนาจของราคาใว่าเออนั่นแหละพอนี้ผกเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาเฮ อ, อเรายัางไม่หมดนี่ว่า ก็รู้ดีหลังอ่ะนี่ลักษณะการหลงผิดมันอันตรายคือตัวเองไม่รู้นั่นดีทีเจอพระพุทธเจ้านะพระพเจ้าเลยบอกให้ไปทํามื่อเจอโอ้โหเรายังไม่เสร็จอ่ว่านี่เรายังยังมีความไอ้ยังมีราคะอยู่นี่ว่าพระพุทธเจ้าก็เลยมาสอนนั่นน่ะจึงได้นลไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ยาวอกีกแหละถ้าไม่ไม่เจอพระพุทธเจ้าก็เข้าฮุกอีกมันการตั้งจิตให้ถูก ตังจิตด้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือถ้าพูดถ้าพูดว่ามันไม่ต้องพูดกันมากมายคือว่าทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้สุดง่ายที่สุดดีที่สุดคือทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนแน่วแน่กับที่พระพุทธเจ้าสอนมีฉันทะกับการที่พระพุทธเจ้าสอนจริงจังจริงใจกับการที่พระพุทธเจ้าสอน มีอารมณ์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะเราเรียนให้ตายเราก็ไม่เก่งเท่าพระพุทธเจ้าเข้าใจปะ่ะสิ่งที่เรากำลังไม่เข้าใจหรือดิ่งที่เราสงสัยทังหาเนี่ยพระพุทธเจ้าทำไว้หมดแล้วมันไม่ต้องมาอวดเก่งในเหนือกว่าพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมเราเพียงแค่อะไรเราเพียงแค่เรียนรู้ทำตามแล้วก็ให้สองอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกัน การเรียนรู้การปฏิบัติเนี่ยให้มันสอดคล้องกันให้มันเป็นไปด้วยกันมันก็จะเกิดสภาวะผลของความรู้มันจะสอดคล้องกันถ้าเรามีความรู้มาก่อนและเรามาปฏิบัติตามหลังผลที่เกิดจากการปฏิบัติมันไปรองรับความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเราก็ว่าอ๋ออย่างงี้นี่เองหรือเรายังไม่มีความรู้เราปฏิบัติไปแล้วเราก็ได้เป็สภาวะเกิดขึ้นมาเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไร พอมีพระมีครูบาจารย์มาสอนมาอธิบายความของพระพุทธเจ้าให้เราฟังอ๋อเราก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองความรู้กับสภาวะมันเกิดสดรับกันเราก็อ๋ออ๋อนั่นก็คือความเป็นจริงที่มันสามารถที่จะปรับพื้นของเราให้มันพัฒนาขึ้นไปได้ฉะนั้นเรียนรู้ความรู้ที่มีสภาวะรองรับหรือสภาวะที่รองรับความรู้ที่มีสองอย่างนี้มันมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีในการฝึกฝนอบรมเจริญสติของเรา ไม่ไม่มีอะไรที่พระเจ้ายังไม่ได้ทำไว้ให้ทำให้หมดแล้วจริงๆริงแตเ่เราละเลยไงเนี่ยจะมาสอนอนามาตั้งหกสิบกว่าครั้งก็พูดผ่านพูดผ่านมาันเมื่อเอ้านั่งจานข้าอยู่นึกว่าโอ้ยยังยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้เรื่องการตั้งสติในการที่จะเข้าไปรู้ลมหายใจยังไม่ได้พูดคุยกัน และสติที่ตั้งขึ้นอย่างนี้เมื่อรู้ลมหายใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆในที่สุดสติตัวนี้ก็จะเป็นอนุปัสนาญาณแร้วมันแยกกันเป็นธรรมชาติหมดเลยแยกธรรมชาตินี่แยกธรรมชาติหมายความว่ากายเป็นกายสติเป็นสติสติไม่ใช่กายกายไม่ใช่สติสติที่เกิดนั่นเป็นสติตัวสติด้วยสติที่ปรากฏนั่นเป็นตัวสติด้วย เป็นธรรมชาติของสติเป็นธรรมชาติของกายกายก็คือลมหายใจออกลมหายใจเข้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเป็นธรรมชาติของมันออกไปหมดรู้ตัวหนึ่งสติตัวหนึ่งแล้วก็เวลาเราเราเจริญสติขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแยกออกมาเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยท่านว่าตายะสติยาเตนะยาเนนะสติกาโรโหติ ว่าการเจริญสติมันเจริญด้วยก็เจริญด้วยสตินั้นน่ะด้วยรู้นั้นเจริญด้วยสตินั้นเจริญด้วยรู้นั้นสติก็ตัวนั้นรู้ก็ตัวนั้นนั่นแหละคือการเจริญสติแสดงว่าอะไรแสดงว่าสติก็เป็นธรรมชาติของสติรู้ก็เป็นธรรมชาติของรู้สิ่งที่ถูกรู้คือลมหายใจก็เป็นธรรมชาติของลมหายใจเมื่อเราทาไปถึงจุดหนึ่งจิตเดินออกมาจากลมหายใจ ้จหมจิตจะเดินออกมาจากลมหายใจเมื่อเขาเดินออกมาจากลมหายใจหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่มีการกาหนดรู้ลมหายใจแล้วเมื่อเขาเดินออกมาจากลมหายใจไม่มีการตั้งใจจะเข้าไปรู้ลมหายใจแล้วจิตรู้อยู่กับอุเบกขาที่ปรากฏที่ที่ท่านว่าอุเบกขาสันฐานังคืออุเบกขาปรากฏแล้วก็จิตรู้อยู่กับอุเบกขาที่ปรากฏ ไม่ไปอยู่กับลมหายใจแล้วแต่เมื่อลมหายใจออกลมหายใจเข้าปรากฏรู้ก็จะแค่ไปรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่ารู้ไปรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าตามธรรมชาติของกายที่ร่างกายเขาหายใจเองเหมือนตอนนี้เรานั่งฟังอ่านธมานี่เราหายใจอยู่ใช่ไหมเราก็หายใจอยู่ลมหายใจที่หายใจอยู่นั่นน่ะมันเป็นลมหายใจธรรมชาติเป็นธรรมชาติของร่างกาย ร่างกายเขาหายใจของเขาเองเวลาสติเขาตั้งมัน่นเข้าไปแล้วเดินออกจากลมหายใจมันจะไปรู้ลมหายใจนั้นจิตรู้แทนที่จะมานั่งฟังพระแทนที่จะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไปเห็นลมหายใจที่ร่างกายหายใจเองแต่ในกรณีแรกแรกเราจะไปเห็นลมหายใจที่ร่างกายหายใจเองนั้นง่ายหรือยากยาก เพราะมันมีอะไรมันมีจิตตะสังขารที่ผูกอยู่กับจิตเยอะมากพอมันแค่จะไปรู้ลมหายใจมันก็กล้าไปเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยวางหลักอาณาปานสติไว้ให้เราวิธีของอาณาปานสติก็คือว่าเข้าไปสู่ลมหายใจจนกระทั่งมันดับจิตตะสังขารจิตหลีกออกมาจากลมหายใจได้ เห็นลมหายใจอันเป็นธรรมชาติที่ร่างกายเขาหายใจของเขาเองได้จะเปรียบเหมือนตอนนี้ถ้าเราสามารถอย่างนั้นที่เรากาลังหายใจอยู่เนี่ยเราไม่ได้รู้เราไม่ได้เห็นใช่ไหมร่างกายมันหายใจอยู่เนี่ยเราไม่ได้รู้เราไม่ได้เห็นกับมันเลยถ้าเราไปเห็น ร่างกายมันกำลังหายใจออกร่างกายมันกำลังหายใจเข้าอยู่ตอนนี้บางครั้ง ม, มันก็ยาวบางครั้งมันก็สั้นบางครั้งมันก็สองกากอยักบางครั้งมันก็หยุดเราไปเห็นตามธรรมชาติตามธรรมดาที่ร่างกายเ็าเป็นอยู่ในขณะเนี้แเราเห็นได้ตรงนั้นนั่นคือสติปัฏฐานภาวนาะอืมนั่นคือสติปัฏฐานภาวนาะถ้าไม่มีสภาวะบารแบบนี้มารองรับปรากฏอย่าคุยว่าตัวเองทำสติปัฏฐาน เข้าใจไหมเออนั่นแหละคือสติปัฏฐานภาวนานี่คือสติปัฏฐานภาวนาคือสภาวะที่จิตเห็นลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นธรรมชาติที่ร่างกายมันหายใจของมันเองไม่ได้ไปกำหนดเพราะอำนาจของจิตตังขานดับไปหมดแล้วเพราะว่า ปฏิบัติตามอานาปานาสิที่พระพุทธเจ้าท่านเรียงรายลําดับไว้ให้ใช้ความรู้ของเจ้าทั้งนั้นแ่ะและที่สําคัญอะไรเมือ่อเมื่อสติปัฏฐานปรากฏสติปัฏฐานตัวนี้เมื่อเขบปรากฏแล้วบําเพ็ญให้แนว่วแนว่ให้บริบูรณ์ไปเรื่อยเรื่อยเื่อยอินทรีย์ทั้งหลายก็จะประชุมลงอืมอินทรีย์มีอะไรบ้างฮะ อเออมันก็ถูกตะคู่อ่ะแต่มันไม่ตรงคำถามอินโดนกัอินซีเหมือนกันแต่ว่าอินซีที่ประชุมลงคือสัตทินซีวิริยินซีสัททินซีสมาทินซีและก็บินปัญญินซี อินทรีย์จะประชุมลงกันในสติปัฏฐานภาวนาอย่างนี้พอสัอีพออินทรีย์ประชุมลงเข้าปั๊บอะไรเกิดอะไรเกิดรู้ปะอินทรีย์ประชุมลงอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เป็นพละของกาลังของจิตหลังจากนั้นมันจะเกิดเป็นอะไรเข้าไปสู่ความเป็นโพชฌงของจิต สติที่เป็นสตินทรีก็จะเป็นสติสามโปชงเป็นลำดับไปเรื่อยๆคือถ้ามันถูกแล้วมันจะถูกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะนั่งสมาธิกันจำคำสติตั้งมั่นนะวันนี้จะต้องการชี้แจงเรื่องสติตั้งมั่นให้เราฟังอย่างเดียวที่จะไปรู้ลมหายใจสติที่จะไปตั้งมั่นเพื่อจะรู้ลมหายใจอย่างเดียวกายต้องนิ่งตั้งตรง กายต้องตั้งตรงนั่งนิ่งและวาจานิรุธาโหติต้องดับวาจาด้วยทีนี้ตั้งกายง่ายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าตามที่เราปฏิบัติกันมาอย่าดือ้อ <c oughs> ให้ทำตามนั้นเมื่อรู้จิตที่ดำรงอยู่เฉพาะหน้าได้แล้วน้อมจิตนั้นเข้าสู่ลมหายใจแล้วก็น้อมเข้าไปสู่ลมหายใจอย่างชนิดที่เรียกว่า บริสุทธิ์ปราศจากความฟุ้งซ่านเข้าใจไหมแล้วถ้ามันไประลึกโ น, น้นระลึกนี้ระลึกนั่นระลึกนีน่ปล่อยวางออกไปปลดปล่อยอารมณ์อื่นๆ อ, ออกไปให้คงเหลือแต่ลมหายใจที่จิตจะน้อมเข้าไปเพื่อจะรู้และรู้ลมหายใจออกก่อนด้วยการหายใจเข้าง่ายสุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแล้วก็ค่อยๆหายใจออกมา แล้วให้จิตมันน้อมก็ไปรู้ลมหายใจที่ไหลออกน้อมก็ไปรู้ลมหายใจที่ไหลออกน้อมเข้าไปรู้ลมหายใจที่ไหลออกไม่ต้องวิ่งตามลมออกไม่ต้องวิ่งตามลมเข้าแค่รู้อยู่สัตว์ที่มันสามารถรู้ได้ตรงนั้นอ่ะที่เราเคยปฏิบัติมาแต่น้อมใจเข้าไปเลยจิตแรกเนี่ยน้อมใจเข้าไปชนิดที่เรียกว่าให้สติสุปัฏฐิตาโหติให้มันเป็นสติที่มันตั้งมั่นมาอย่างดีคือมันไม่ได้ฟุง้งซ่าน มันไม่ได้ไปมุ่งในเรื่องอื่นไม่มีอารมณ์ใดมาเป็นสองเข้าสู่ลมหายใจมาเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอย่าละเลยตรงนี้เพราะว่าสัญญาเรามันเยอะกว่าจะโตขึ้นมาป่านนี้มันสัญญามันอู้มเยอะมากแผ่นทีดีสองาแผ่นยังเก็บไม่หมดในสัญญาเรา <c oughs> ไม่รู้จะใช้หน่วยความจำเท่าไหร่นี่จะเก็บหมด สัญญานะั่นแหะมันตัวสาเหตุทาให้เกิดการปรุงแต่งจิตเลยฟุ้งซ่านหลายอารมณ์แล้วมันเราจะต้องอาศัยอะไรน้อมใจเข้าไปให้เยอะไอ้มันเหลืออยู่ที่อารมณ์เดียวถ้าอะไรที่ไม่ใช่ลมหายใจมันปรากฏก่อนที่จะเข้ารู้ลมหายใจนะปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเราไม่ให้ข้ามันก็ไม่จมแล้วอารมณ์ถูกไหมเออเรารู้นี่อะไรที่มันเกิดที่ไม่ใช่ลมหายใจเราไม่ให้ข่ามั น, น่ะ จิตเราก็จะไม่ไปจมอยู่กับสิ่งที่มันเกิดแล้วก็ให้มันเข้าหาลมหายใจรู้ลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจออกก็รู้รู้ ร, ร, รให้ชื่อตรงต่อการกระทําอย่างนี้แล้วมันจะเป็นการกระทําที่ตรงตรงต่อความเป็นจริงของอาณาปานนสติทีนี้ในเบื้องต้นกับเรื่องลมยาว ครั้งแรกเนี่ยรู้ลมยาวก็ทีกลางว่างอัตตารู้ลมยาวแต่ว่าตอนนี้อัตมายังไม่ต้องการให้ลมไปทําลมหายใจยาวเพราะไม่อยากให้มีภาระในการกระทําหลายครั้งหลายเรื่องเอาแค่ okay, ว่าน้อมใจเข้าไปสู่ลมหายใจของเราเองแล้วรู้ลมหายใจที่ไหลออกตามธรรมชาติที่มันสามารถรู้ได้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออก ร, ออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ ถ้ามันมีอารมณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นให้จิตเข้าไปรับรู้ในระหว่างนั้นปล่อยมันออกไปปล่อยมันออกไปปล่อยมันออกไปคือทำตัวสติให้เป็นสติสุปัฏฐิตาโหติก่อนให้เป็นตัวสติที่ตั้งมั่นก่อนเข้าไปหาลหมหายใจเอาตามนี้นะเตรียมพร้อมแล้วนั่งตั้งตัวตรง เวลาตั้งกายตรงให้มันตรงตั้งกระดูกคอต่อด้วยนะอย่าประมาทเชียนะมันไม่ตรงเนี่ยมันจะมีปัญหาจริงๆมันปัญหาง่ายๆกระดูกทระหลังสิบแปดคู่นี้ให้มันก่อตัวกันให้มันตั้งรับกันได้ไม่เบียดเสียดกับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นทุกทั้งหมดตั้งกายให้ตรงจนไปถึงกระดูกคอต่อ พอตรงนี้มันตั้งตรงการหายใจระบบการหายใจของเราก็จะดีขึ้นดำรงสติมัน่นรู้สึกที่ใบหน้าของตนเอง ดารงสติอยู่เฉพาะหน้านะให้ความให้จิตรู้ที่อยู่เฉพาะหน้ามันคมมันมีกำลังพร้อมที่จะเข้าไปสู่ลมหายใจได้อยากนั้นก็น้อมจิตก็ไปสู่ลมหายใจลมหายใจที่ไหลออก ลมหายใจที่ไหลเข้าน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจที่ไหลออก ถ้าว่าไอจิตรู้ที่น้อมก็ไปสู่ลมหายใจที่ไหลออกนะมันมีกําลังเบาไม่พอแล้วตนเองไม่มั่นใจในการรู้ลมหายใจที่ไหลออกไม่มั่นใจในการรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าก็ใส่ก็ใช้คํานะคําที่เป็นความหมายตรงต่อกิริยาเช่นหายใจออกเราก็ รำพึงว่าออกหายใจเข้าเราก็กำหนดว่าข้าวเบาๆช้าๆให้มันมีคำที่เป็นความหมายตรงต่อกิริยาคือตอนลมหายใจออกก็ใช้คำว่าออกตอนลมหายใจเข้าก็ใช้คำว่าเข้าแค่คำเดียวแต่วันใช้เบาๆนะพอลมหายใจเข้าก็นึกในใจว่าข้า มีใช้ในสำหรับกรณีที่เรารู้สึกว่าการรู้ลมหายใจของเรามันเบาเกินไปเราไม่มั่นใจในการรู้ลมหายใจว่ามันได้ไหมแต่สำหรับคนที่ไม่มีปัญหาอย่างนั้นไม่ต้องอไปใช้นะรู้ลมหายใจอย่างเดียวตรงไปเลยไม่ต้องใช้คำบริกรรมใดๆหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ไม่ต้องรีบร้อน แล้วก็ น, น้อมใจเข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจนั้นให้มันมีกําลังถ้ามันมีความคิดหรือมีสภาวะอื่นซึ่งไม่ใช่การรู้ลมหายใจเกิดขึ้นในขณะนั้นให้ปลดปล่อยออกไปวางออกไปไม่ให้ใจไปจมอยู่กับอารมณ์หรือความคิดอื่นที่เกิดขึ้นถ้าเราเอาใจไปจมหรือไปปรุงหรือไปแช่อยู่กับอารมณ์อื่นที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้น นั่นเรียกว่าเราหลุดออกจากการรู้ลมหายใจทันทีอันปลดปล่อยอารมณ์พวกนั้นไปเบื้องต้นนะแล้วก็น้อมก็ไปสู่ลมหายใจอย่างมีกำลังหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ใจจะมีลมหายใจเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วก็ไม่พุ้งสร้างสัดสายออกไปไหน แน่วแน่อยู่กับลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้ามันลา้ามันอ่อนหรือมันห่วงมันเคลิ่มก็ทำลมให้มันหยาบขึ้นทำลมให้มันแรงขึ้น มันรู้สึกตื่นขึ้นมา